ธรรมบทแปลเรื่องที่142เรื่องพระอังคุลิมานเถระข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราภรพระอังคุลิมานเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายศปาปังกตังกำมังเป็นต้นตอนต้นคต ปลายตรงใช้ได้เรื่องบัณดิตพึงทราบด้วยสามารถแห่งอังคุลิมานสูตรนั่นแลก็พระเถระบวชในสำนักของพระศาสดาบรรลุพระอรหัสต์แล้วครั้งนั้นแลท่านพระอังคุลิมานไปแล้วในที่ลับริกเร้นอยู่สเสวยวิมุตติสุขแล้วเปล่งอุทานนี้ ในเวลานั้นว่าโยจัปปุเปปรปมะชิตวาปัชชาโซนับปมะชิโซมังโลกังปพาเซติอภามุตโตวจันทิมากภูใดประมาทแล้วในก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่าดเหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอกฉะนั้น ครั้นเปล่งอุทานแล้วก็ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุพระเถระบังเกิดแล้วนะที่ไหนหนอแลพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอเป็นผู้นั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรหนอ เมื่อพิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าด้วยถ้อยคําปรารบถึงที่บังเกิดของพระอังคุลิมานเถรรัพระเจ้าค่าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราปรินิพานแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพระอังคุริมานเถรรัข้ามนุษย์มีประมาณเท่านี้ปรินิพานแล้วหรือพระเจ้าค่าจึงตรัสว่า อย่างนั้นภิกษุทั้งหลายพระอังคุลีมานนั้นไม่ได้กัลยาณมิตรสักคนหนึ่งจึงได้ทำบาปมีประมาณเท่านี้ในการก่อดแต่ภายหลังเธอได้กัลยาณมิตรเป็นปัจจัยจึงได้เป็นผู้ไม่ประมาทเหตุนั้นบาปกรรมนั้นอันบุตรของเราละได้ด้วยกุศลดังนี้แล้วจึงตรัส พระคาถานี้ว่ายศปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปะฮีติโซมังโลกังปะพาเซติอภามุตโตวจันทิมาบุคคลใดละบาปกรรมที่ตนทำไว้แล้วได้ด้วยกุศลบุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอกฉะนั้นตอน แกอัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากูสเลนะพระศาสดาตรัสหมายเอาพระอรหัตมักคำที่เหลือมีเนื้อความตื่นทั้งนั้นในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระอังคุลิมารเยระ